พระธรรมเทศนาแผ่นที่99ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่1ธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าวาจาอันไม่ตายต่อไปตั้งใจสมาทานสินคาว่าสินคำนี้ เหมือนกับเรารักษากฎกฎติกาหรือกฎหมายศิลคือกฎหมายศิลคือกฎระเบียบศินคือเป็นสิ่งที่คุ้มคุ้มครองสําหรับพวกเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นประเทศชาติถ้าว่าไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีกฎกฎติกาคุ้มครองพวกเราก็เหมือนกับสัตว์สารสิงสัตว์ป่าตัวไหนมีกําลังมาก เอาชนะผู้ตัวที่มีกำลังน้อยแต่ศีลธรรมหรือว่ากฎกติกาอันนี้ศิลข้อนี้ก็คือให้เมื่อพวกเรารักษาแล้วก็ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเมื่อเขาเมื่อเราไม่ต้องการอย่างที่เขามาทำให้กับเราสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเราก็ไม่ควรจะไปทำให้กับเขาคนอื่นเขาคือศิลข้อที่หนึ่ง ที่อัตมาภาพจะเดผู้เป็นจะนํากล่าวคําสมาทานสิน่งขินสินงข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาปะทางสมาติยามิข้าไปเจ้าจงงดเว้นในการฆ่าในเมื่อเราไปฆ่าคนอื่นเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเขาเสียใจในเมื่อเราไปฆ่าเขาในเมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพี่น้อง เพื่อนฝูงของเราคนสนิทที่ที่เรารักเคารพนับถือเราก็เสียใจในเมื่อเราไปทำให้กับคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นคือสินข้อที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าการเปลี่ยดเปลี่ยนกันการทำร้ายทำลายกันเขาก็เสียใจเราก็เสียใจอันนี้คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาวรมณี เราไปขโมยสิ่งของของเขาเขามาขโมยสิ่งของของเราเรามีความรู้สึกยังไงเมื่อเขามาขโมยของเราเมื่อเราไปขโมยของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเขามาขโมยพ่อแม่พี่น้องของเราไปเรียกค่าไทยเรามีความรู้สึกยังไงในเมื่อเราไปทําให้กบกับคนอื่นเขาเขามีเขามีความรู้สึกอย่างไร อันนี้คือสีนข้อที่สองอธินาทานาเวรามณนีข้อที่สากาเมสุมิสาจาราวเวรามณนีสามีภรรยาลูกหลานของไข่ของเขาเขาก็รักสงวนห่วงเห็นของเขาของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเมื่อเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นในหลักธรรมใน กดระเบียบวินัยหรือศีลพระพระเจ้าจึงให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะต่างโขนก็ต่างมีครอบมีครัวมีสามีภรรยาลกาูกหลานให้เคารพสิทธิ์กันเพื่อความร่มเย็นพาสุก ข, ข้อที่สี่มุสาวาทาเว ร, รมณีอย่าไปโกหกโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเมื่อเราไปต้มตุ๋นโกหกหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจ ในเมื่อเขามาทำให้กับเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเหมือนเราที่เราไม่มีเงินในบัญชีไม่มีเงินเราไปเขียนเช็คให้เขาเนี่ยในเมื่อเขาเอาเช็คไปเคลื่อนไม่มีเงินถ้าเขามาทำกับเราเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราเราไปทำให้กับเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเรว่าโกหกต้มต้มถูนหลอกลวงคานี้มีมากทุ ก, กวันนี้เพราะนั้น คือสินข้อที่สี่ของพระพุทธเจา้ามุสาวาทาเวรมณีในหลักธรรมคำสอนของพุทธะที่ท่านได้ตรัสไว้ว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้ก็คือสินข้อที่สข้อที่ห้าสุราเมริยะมัชฌะปมาการดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท สุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์แล้วก็ส่งข้อเข้าคัญชายาฟินเฮโรอินโคเคนมีมากมายทุกวันนี้แต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็ตามจะเสพหรือดื่มเข้าไปในวัตถุนั้นแต่ดื่มเข้าไปหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติอันนั้นคือประเภทของที่มึนเมา สงเคราะห์เข้าในสุราถ้าเราดื่มสุราขาดจติแล้วทําความชั่วเสียหายในทุกอย่างเพราะขนขาดติจะฆ่าใครก็ได้ศินข้อที่หนึ่งก็ขาดจะขโมยใครก็ได้ศินข้อที่สองก็ขาดจาละลาบประรวดในสามีภรยาของใครก็ได้เพราะขาดติต อ, อ, อันนี้ก็ศินข้อที่สก็ขาดข้อที่สจะโกหกต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้เพราะมันขาดติ ถ้าจบแล้วก็คือศินท้อข้อที่ห้าไม่ได้เบียดเปียนไข่เงินในกระเป๋าของหลบของเกผไปซื้อแต่ว่าเมื่อดื่มน้ําเสพก็ไปแล้วทําให้คนอื่นเสียหายเดือดร้อนถ้าจะว่าไปศินข้อที่ห้าเหมือนศินหลังคาบ้านหลังคาอาคารเพราะอะไรเพราะว่าคุ้มครองศินข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สถ้าศินข้อที่หขาดแล้วทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นพวกเรา พวกทุกท่านนี่เมื่อได้ยินได้ฟังธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะสินห้าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่อื่นไกลอยู่ในตัวของ พ, พวกเราทุกๆุกท่านเขาเราเราเขามีสองอย่างตนเองถ้าเราไม่ต้องการเราก็ไม่ควรไปทำให้กับค น, บคนอื่นเขาเมื่อคนอื่นเมื่อเขาใครก็รู้ว่าการกระทำอย่างนั้นให้คนอื่นเขาเขาเดือดร้อน ถ้ามาทําให้กับเราอะเราก็เรือร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์เจ่งกันและกันอันนี้คือศินศินและธรทำและกดและเบียบวินัยกฎหมายเราจะเรียกอะไรก็ได้ทั้งหมดนะคือสรุปแล้วก็คือทําให้หมวลมนุษย์อยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือศิลที่หลวงพ่อจะเป็นผู้พานาต่อไป นะโมตัสสะภควะโตอะรหาหโตสัมมาสัมพุทธะสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีหลังวิโสธาเ ย, ายก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโมชนิจกถาว่าเนื่องในอะไรในวันนี้ อ, อันดับแรกก็คือ วันที่วันพระหัสที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2559ที่พวกเราได้มาสู่สถานทูตมีท่านจุชาติเลียงแสงทอง เป็นเอกท่านเป็นเอกก็คราสทูตพร้อมกับคุณนายคุณออของท่านและก็พร้อมกับบริวารของท่านเดนิมนต์พระสงฆ์จากเมืองไทยเพื่อมาทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราอย่างพวกเราท่านเดทั้งหลายได้กล่าวคำถวายทานจบลงสักครู่นี้อันนั้นชัดเจนอยู่แล้ว แล้วก็วันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงวันพุ่งนี้นะวันพุ่งนี้เป็นวันวันครบรอบห้าสวันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่วันนี้พวกเรามาถึงก่อนพวกเราได้มาร่วมกันทําบุญสถานทูตของพวกเราเพื่อเป็นการนานทีนานพวกเราได้มาอยู่ในะสถานที่แห่งนี้พวกเราเป็น ได้มาแล้วก็ทำพิธีทางพุทธศาสนาพระสงฆ์ได้มากะเจริญพระพุทธมนต์ให้กับพวกเรา ท, ทุกท่านทั้งหลายพวกเราทุกท่านเพื่อเป็นสริเพื่อเป็นมงคลพวกเราไปอยู่นสถานที่ใดหลวงพ่อเองก็เคยย้ำเคยกล่าวว่าทวงพวกเราเป็นคนชาติไทย ไปอยู่นสถ า, านที่ใดเป็นคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนทั้งชาติของเราถึงจะส่งไปนสถ า, านที่ใดเอกอัครราชาทูตประเทศใดกึ่งกะหวังว่าพวกเราจะต้องมาประกอบคุณงามความดีต่อประเทศนั้นๆผูกสัมพันธ์ทไมตรีต่อประเทศนั้นๆพวกเราก็มาอยู่ไปอยู่นสถ า, านที่ใด ก็เป็นคนดีเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มชั้นใดพวกเราก็ควรจะรักษาคุณงามความดีของตอนเองชั้นนั้นเกลือถึงจะเอาไปนสถานที่ใดประเทศไหนเอาขึ้นดวงดาวดวงอังคารที่ไหนเกลือก็ยังเค็มอยู่นี้ก็เหมือนกันพวกเราไปอยู่นาสถานที่ใดก็ขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านคิดดีทำดีพูดดี คิดดีก็คิดเพื่อประเทศชาติเพื่อโลกไม่เบียดเบียนซึ่งกนและกันอย่างศีลห้าอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวได้พูดแล้วก็พร้อมกันเมื่อคิดดีแล้วก็ทำดีแล้วก็พูดดีพูดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นพูดมีกล่าวสัมมาวาจาให้พวกเราเหนือนโลกทั้งโลก ให้เข้าใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ อ, เอกอัคราชทูตอย่างท่านที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยรูท ท, ทุกประเทศเป็นตัวแทนของประเทศชาติเป็นตัวแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหลา่าให้มาทำหน้าที่เป็นซ้เป็นทูต ผูกสัมพันธรร์ทำไมตรีธรรมมาค้าขายเรื่องราวต่างๆโลกทั้งโลกเราจะอยู่ตามลำพังไม่ได้เราต้องมี ม, มีพักมีพวกมีหมูมีเพื่อนที่เข้าใจกันคือคบกันรยาะมิตรไว้ในเมื่อพวกเรามีน้ำจิตน้ำใจต่อกันต่อประเทศชาติต่อโลกการธรมมาค้าขาย ก็ไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้มาสู่สถานทูตปากีสถานแห่งนี้ถือว่าหลวงพอ่อถือว่าเป็นมงคลมหามงคลหลวงพ่อไม่เคยไปที่ไหนมาก่อนนะคณะสัตยาติยมหลวงพ่อเดี๋ยวนี้กอายุ72ปีแล้วไม่เคยไปมาอย่างนี้เลยเแต่ามาคราวนี้ครั้งนี้ทางสถานทูต ท่านปรรบถึงเกี่ยวกับการทำบุญออถวายเป็นพระรสุกุลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสถานทูตแห่งนี้หลวงพ่ อ, อเราเป็นพระศกนิกรออถึงจะเป็นพระก็อยู่ในพระศกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราสวารรณนาคารายพวกเราเป็นพระศกนิกรณ์ก็คว ร, คว ร, ควรจะสมควรจะให้ความ เคารพให้ความสาคัญในพระ อ, องค์ท่านเพราะท่านทำคุณอุปการให้กับประเทศชาติมามากตอกมากบัดนี้มาถึงโคงสุดท้ายของพระ อ, องค์ท่านแล้วพวกเราประสกในกรก็รควรจะน้อมจิตน้อมใจทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชฎสุขุสลดวงวิญญาณของพระ อ, องค์ท่านสิ่งสถิตยโยนตที่ใดทินใดก็ขอให้รับขอให้พระ อ, องค์รับรู้รับทราบ ว่าพวกเราได้ถวายพระธัดกุศลขอให้พระองค์จงดวงวิญญาณของพระองค์จงมีแต่ความเกษมสําราญอยู่ในภพภูมนนินั้นอันนี้พวกเรามีแต่นึกคิดย้อนมินึกคิดลําลึกถึงประคุณของท่านและก็พร้อมกันพวกเราให้น้อมย้อนมาหาตัวพวกเราทุกๆ ท, ท่านด้วยเราไปอยู่น่าจตานที่ใด ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราเราเป็นพุทธศาสนิกชนกน็เห็นย้อนเขย้อนเข้ามาหาตัวเองว่าข้าพเจ้าจะคิดดีทำดีพูดดีถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีก็ เ, เชื่อในกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทาถ้าเราคิดไม่ดีแปว่ากรรมไม่ดีทำกรรมที่ไม่ดีการพูดไม่ดีก็ว่า การทำกรรมที่ไม่ดีการกระทำด้วยกายก็เหมือนกันเพราะนั้นการทำกรรมทำได้สามทางมันโนกรรมคือแนวความคิดกายกรรมคือการกระทำวจีกรรมคือคำพูดเนี่ยการกระทำการคิดก็ดีการทำก็ดีการพูดก็ดเีเราจะทำในสิ่งที่ดีในเมื่อทำสิ่งที่ดีแล้วกรรมดี จะตามสนองถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีกรรมชั่วก็จะตามสนองอีกเหมือนกันเพราะนั้นใน ห, หลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ปรนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณท่านให้โอวาทปฏิโมกต่อภิกษุทั้งหลายในวันมาในวันมาค้าบูชาในวันนั้นท่านจึงตรัสว่าอัตังดุกตังเซยโยปัจชาตปฏิดุกตัง คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลดยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นและจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนต้องยึดนำทำคำสอนของพุทธะไว้ในจิตในใจอยู่เสมอเราไปอยู่นสถานที่ใดอยู่ในประเทศใดอยู่ในหมุมโลกใด ใเห็นนึกดูว่าข้าพเจ้าจะคิดดีข้าพเจ้าจะทำดีข้าจะข้าพเจ้าจะพูดดีในเมื่อเราทาดีทั้งสามทวารคิดดีทำดีพูดดีแล้วกรรมดีจะเข้ามาสู่พวกเราพวกเราไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อแต่ถ้าเราทำตรงกรรมข้ามกัดข้ามแล้วก็มีแต่ความเสียหาย มีแต่ความทุกข์จะเข้ามาหาพวกเราเครื่องพวกเราจะเป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดขนาดไหนเป็นผู้หลบเลี่ยงกฎหมายขนาดไหนมีชั้นเชิงขนาดไหนแต่ก็มีเนือกรรมเมื่อเราทําลงไปแล้วกรรมตัวนั้นจะตามสนองพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังพเพราะฉขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้พูดให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งพูดกระตอด แต่ทั้งหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็เหมือนกันถ้าหลวงพ่อคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลกับหลวงพ่ออีกเหมือนกันถ้าหลวงพ่อคิดดีทดําดีพูดดีกรรมดีก็จะให้ผลกับหลวงพ่ออีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพูดคํานี้เป็นคํากลางที่สุดคือเป็นคําในถักหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วถึง 2,559 ปี เมื่อเรานำมาคิดนำมาพิจารณานำมากันกรองไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลแล้วยังเป็นยังทันสมัยอยู่ยังเป็นอัมตะวาจาเป็นวาจาอันไม่ตาย เ, เป็นวาจาที่นำมาแล้วก็มีเหตุมีผลในในที่พระองค์ได้พูดได้กล่าวไว้ น, นั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสมโมทนจาจักกถาในวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนตอนนี้ไปพระสงฆ์ เจ้าุโมทนาให้พรรับพรนตรินีน่า